รสรูตว่าด้วยมนสิการครั้งนั้นและท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้หรือหนอการที่พิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรส กายโภทพะการสัมผัสทางกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาการสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมนสิ ก, การ์แม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้ง ที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมนัสการพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์มีได้การที่พิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนัสการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาส า, า, า, านัญจาตนะฌาน วิญญาณัญจายตนะฌานอาคินัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมนสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมนสิการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้อย่างไร การที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมานสิการตาละถึงไม่ต้องมานสิการแม่รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแต่ต้องมานสิการอา น, นพิภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมานสิการอย่างนี้ว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิกิเลธทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพานอานนท์มีได้อย่างนี้แหละการที่พิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพทพะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศานันจายตนะฌาน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 สันทสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสันทะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะคินจา ก, กาวสถารามในนาทิเคามครั้งนั้นแหลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านดังนี้ว่าสันทะ เธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของมาอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของมากระจอกการเพ่งของมากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดามากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางเข้าเหนียวย่อมเพ่งว่าเข้าเหนียวเข้าเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางเข้าเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่า วันนี้สาราถีผู้ฝึกมา้าจะให้เราทำเหตุอะไรหนอเราจะทำอะไรตอบแทนเขาม้ากระจอกนั้นถูกเขาผูกไว้ใกล้ารางข้าวเหนียวจึงเพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวฉันใดบุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีมีจิตถูกกามราคะความกำหนัดในกามกลุ่มรุม ถูกการมราคะครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดการมราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำการมราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำมีจิตถูกพยาบาทความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกถีนามิทะความหดหู่และเสื่องซึมกลุ่มรุมมีจิตถูกอุทจักกุกุ จ, จะ ความฟุ้งซ่านและร้อนใจคลุ้มรุมมีจิตถูกวิจิกิจชา้าความลังเลสงสัยคลุ้มรุมถูกวิจิกิจช้าครอบงำอยู่และไม่รู้วิธีสลัดวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำวิจิกิจชาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้าเพ่งบ้า ง, อ า, า ง, างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้าง อาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญาัญตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญาัตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม่รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้ง ที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษผู้กระจกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แหลการเพ่งของม้าอาชาในเป็นอย่างไรคือธรรมดาว่าม้าอาชาในที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะม้าอาชาในที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารธีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะทำอะไรตอบแทนเขาม้าอาชาในนั้นถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพราะม้าอาชาในที่ดีย่อมพิจารณาเห็นการถูกประตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้ เหมือนคนถูกจองจำมองเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดชั้นใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ชั้นนั้นเหมือนกันไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกการมราคะกลุ่มรุมไม่ถูกการมาราคะครอบงำอยู่ รู้วิธีที่จะสลัดการมราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทะจะกุกุจจะกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีที่จะสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชานายนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่ง ไม่อาศัยธาตุน้าเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาศานัญจายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบทำอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพระเจ้าขอนอบน้อมท่าน ข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพระเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพระเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นนั้นได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชาาย น, นั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่ง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 ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุด ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นนั้นได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในาธาตุดินว่าเป็นาธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในาธาตุน้าว่าเป็นาธาตุน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในาธาตุไฟว่าเป็นาธาตุไฟแจ่มแจ้งแล้ว มีสัญญาในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมแจมแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาศสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาศสานัญจายตนะฌานแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากิญญายตนะฌานว่าเป็นอากิญญายตนะฌานแจมแจ้งแล้ว ม, ม, ม, มีสัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนาชานว่าเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนาชานแจมแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจมแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแจมแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแจมแจ้งแล้ว สันทบุรุษอาชาในผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ําเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะชาเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะชาเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะชาเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะชาเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่ง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 โมระนิวาปสูตรว่าด้วยปริพาจการามชื่อโมระนิวาปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปริพาจการามอันเป็นที่ให้เหยื่อกแก่นกยเขตกรุงราชครือณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้มีความสำเร็จสูงสุดมีความกเสษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลขันธ์กองศีลที่เป็นอเศขะ สสมาธิขันกองสมาธิที่เป็นอ세ขะสามปัญญาขันกองปัญญาที่เป็นอเคขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลเป็นผู้มีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยทำ3ามประการแม่อื่นอีกเป็นผู้มีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. อิธิ ป, ปาฏิหารปาฏิหารคือฤทธิ์สอปาฏิษานปาฏิหารคือการทายใจ 3. อนุสาสนีปาฏิหารปฏิหารคืออนุสาสนีภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้เป็นผู้มีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการแม้อื่นอีกเป็นผู้มีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมสูงสุด ประพุทธพระมรรจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาติสติ 2. สัมมาญาณนะ 3. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำสามประการนี้แลเป็นผู้มีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพุทธพระมรรจันถึงที่สุด มีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสองประการเป็นผู้มีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. วิชาความรู้แจ้ง 2. จรณะความประพฤต ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลเป็นผู้มีความสําเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพุติพระพรมจรึงถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแม้สนังกุมารพรหมก็ได้กล่าวคาถานี้ไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็คาถานี้แสดงกุมารพรหมด้วยกล่าวร้อยกรองไว้ถูกต้องดีแล้วไม่ใช่ร้อยกรองไว้ผิดประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เรายอมรับภิกษุทั้งหลายถึงเราเองก็กล่าวไว้อย่างนี้ว่า ในหมู่ชนที่เธอตระกูลเป็นใหญ่กระสัจัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้พี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมรานิวาปสูตรที่10บจบนิสยะวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กิมัตถิยะสูตร 2. เจตนาการณียะสูตร 3. ปฐมมะอุปนิสาสูตร 4. ทุติยะอุปนิสาสูตร 5. ตติยะอุปนิสาสูตร 6. พยสนสูตร 7. ปฐมสัญญาสูตร 8. มณสิการสูตร 9. สันทสูตร 10. โมรนิวาปะสูตร อนุสติวักหมวดว่าด้วยอนุสติหนึ่งปฐมมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคโครธารามเขกรุงกบิลพั์แควนสักกะสมัยนั้นภิกษุจํานวนมากทําจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า พระผู้มีพระภาคมีจีวรสําเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จจาริกไปเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวอย่างนั้นเหมือนกันลําดับนั้นพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่า ได้ทราบว่าภิกษุจำนวนมากทําจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จจาริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละมหานามะ การที่พระองค์เสด็จมหาตถ า, าคตแล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรนี้เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตรมหานามะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีศรัทธาไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้ปรารลความเพียรเป็นผู้ประสบความสาเร็จ ผู้เกียรคร้านไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาซามไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งมหานามะ พระองค์พึงตั้งอยู่ในธรรมหประการนี้แล้วเจริญธรรมหประการให้ยิ่งขึ้นไปธรรมหประการนี้คือ 1. พระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปราบรบตถาคตดำเนินไปตรงทีเดียว มหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัดย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะอริยสาวกนี้ตถาคตกล่าวว่า เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่พยายาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยายาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมจเจริญพุทธานุสติอยู่ 2. พระองค์พึงระลึกถึงธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุ่มไม่ถูกโทสะกลุ่มรุ่มไม่ถูกโมหะกลุ่มรุ่มสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบธรรมดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้ว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 เป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่ตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญธรรมมนุสติอยู่ 3. พระองค์พึงระลึกถึงสงว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมหานามะสมัยใดอาริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้นจิตของอาริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุม สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบพระสงฆ์ดําเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบลื่มอิงอัดย่อมได้ความปราบลื่มอิงธรรมย่อมได้ปราโมที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่นมหานามะอริยสาวุค t ี i ตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญสังคารวสติอยู่4พระองค์พึงระลึกถึงศีลของพระองค์ที่ม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกรุ่มรุมไม่ถูกโทสะกรุ่มรุมไม่ถูกโมหะกรุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบรศีลดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะ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 เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมดลือกระแสธรมเจริญศีลานุสติอยู่ 5. พระองค์พึงระลึกถึงจาคะะของพระองค์ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีใจปราศจากความตระนีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคากลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบจาคะดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะ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 เทวดาชั้นปรณนิ ม, มิตะ ว, ะวัสวัตดีเทวดาชั้นพรหมกายเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศีลเช่นนั้น เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีสุตะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีจาคะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้น แม้เราเองก็มีปัญญาเช่นนั้นมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบเทวดาทั้งหลายดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบลื่มอิงอัตย่อมได้ความปราปลื่มอิงธรรมย่อมได้ปราโมที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น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 สทุติยมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคโครธารามเขตครุงกบิลพั์แควนสักกะสมัยนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะทรงหายจากพระประชวรได้ไม่นานสมัยนั้นแล ภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จจริกไปเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นเจ้าสักยาพระนามว่ามหานามะเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่าภิกษุจํานวนมากทําจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสําเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จเจ้าริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยทําเป็นเครื่องอยู่ต่างๆ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 ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญา3ามไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งมหานามะพระองค์พึงตั้งอยู่ในธรรมหประการนี้แล้วเจริญธรรมหประการให้ยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมหประการนี้คือ 1. พระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบตถาคตดำเนินไปตรงทีเดียว มหานามะก็อรียสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบเลื่อมอิงอัดย่อมได้ความปราบเลื่อมอิงธรรมย่อมได้ปราโมที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะ พุทธานุสตินี้แลพระองค์แม้กําลังเสด็จดำเนินก็เจริญได้กําลังประทับยืนก็เจริญได้กําลังประทับนั่งก็เจริญได้กําลังบันทมก็เจริญได้กําลังประกอบการงานก็เจริญได้กําลังประทับบนที่บันทมซึ่งเบียดเสียด้วยพระโอรสและพระธิดาก็เจริญได้ 2. องพระองค์พึงระลึกถึงพระธรรมละถึงส พระองค์พึงระลึกถึงพระสงฆ์สพระองค์พึงระลึกถึงศีลของพระองค์ห้ 5. พระองค์พึงระลึกถึงจาระของพระองค์หกพระองค์พึงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่ามีเทวดาชั้นจาตุมหาราชและถึงเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด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 และปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอาริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอาริยสาวกนั้นย่อมปรารบเทวดาทั้งหลายดําเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อาริยสาวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบลืมอิงอัด ย่อมได้ความปราบลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะเทวตานุสตินี้แลพระองค์แม้กำลังเสด็จดำเนินก็เจริญได้กําลังประทับยืนก็เจริญได้กาลังประทับ น, นั่งก็เจริญได้ กำลังบันทมก็เจริญได้กำลังประกอบการงานก็เจริญได้กำลังประทับบนที่บันทมซึ่งเบียดเสียดด้วยพระโอรสและพระธิดาก็เจริญได้ทุติยมหานามสูตรที่สองจบ